จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปต่อไปนี้จะได้บรรยายในหมวดที่เจ็ดในหมวดที่เจ็ดเกี่ยวกับเรื่องอภริหานิยธรรมเจ็ดประการอคําว่าอภริหานิยธรรมก็คือทำไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม นะทําไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมนะเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวชื่อว่าอาปิริหานิยธรรมมีเจ็ดอย่างคือหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงช่วยกันทํากิจที่สงฆ์จะต้องทำสามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว สมาธานศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์บัญญัติไว้สีพ่พิสุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เคารพนับถือพิสุนั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่านห้าไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6. กยินดีในเสนาชนะในป่าเจ็ดตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนพิสุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขนะทำเจ็ดอย่างนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นจะไม่มีความเสื่อมเลยจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวท่านะนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเฉพาะเป็นพระพิสุสมมนเณนนะควรจะประพฤติปฏิบัตนะิให้เป็นไปตามหลักของอปปัฏานนิยธรรมฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะ ปิสุสัมภเนนแม้แต่พวกคระหัตก็ควรประพฤติควรปฏิบัตินะเพราะว่าคําว่าปริหารนี้ทำแปลว่าทําไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมก็หมายความว่าบุคคลใดปฏิบัติทำเจ็ดประการนี้แล้วบุคคลผู้นั้นจะได้รับความสรนเสริญได้รับความเจริญโดยส่วนเดียวเพราะทำเหล่านี้แต่ละข้อละข้อล้วนเป็นธรรมกอให้เกิดความสามัคคีมีความสมัครสมานซึ่งกันและกันและมีความสามัคมีความ สามคัคคีมีความเมตตาเอื้ออารีต่อกันเมื่อเกิดขึ้นในหมู่ใดก็ยังความเจริญให้เป็นไปในหมู่นั้นสมดังพุทธภาสิตที่ว่าสุขา ส, สังคะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นบอกเกิดแห่งความสุขเป็นบอกเปล่เกิดแห่งความสุขหรือว่าความสามัคคีย่อมยังความเจริญให้สําเร็จแก่ชนทั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่าทุกหมู่ทุกเหล่าฉะนั้น อภิหาริยธรรมนี้เป็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดเทศนาแก่ผู้ปิสุนะเป็นธรรมโดยตรงสำหรับบรรพชิตหาเป็นธรรมทั่วไปแก่เครือขัดชนไม่แต่ครือขัดชนจะนุโลมปฏิบัติก็จะอได้นะก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคือถ้าปฏิบัติตามเอภิหารธรรมแล้วก็จเจริญทั้งนั้นนะเจริญทางนั้นจะไม่มีเสื่อมเลยเพราะว่า ทำนี้เป็นไปเพื่อความสามาคัคคีเป็นไปเพื่อความสมัครสมานกลมเกลียวกันนะแต่ถ้าคนไม่มีอปริหารยธรรมก็คือเท่ากับว่าแตกความสามาคัคคีนะแล้วก็จะไม่มีความรักไม่มีความสามาัคคีเช่งกันละกันก็มีแต่ทุกมีแต่โทษนะก็จะมีแต่ความเสื่อมอย่างเดียวนะความเสื่อมอย่างเดียวทีนี้ก็จะพูดบรรยายแต่ละข้อละข้ อ, ขอไปที่บอกว่าให้มันกันประชุมเนืองนิดในข้อหนึ่งเมื่อมีกิจ ประชุมก็ไต่ถามถึงกิจการใดๆหรือประชุมศึกษาข้อความในทางโลกหรือทางธรรมเมื่อประชุมกันโดยดีก็ย่อมมีความเจริญแก่ผู้เข้าประชุมนั้นๆอันนี้ถือว่าเป็นเหตุสําคัญนผู้ทำผู้ที่ยังมีความรู้น้อยก็จะไต่ถามคนที่ก็จะไต่ถามข้อความที่ตนยังไม่รู้ท่านผู้รู้จะได้อธิบายชี้แจงแนะนําในทางโลกและทางธรรมที่สุขุมลุ่มลึกไปโดยลําดับ เป็นการถ่ายเทความรู้ให้แก่กันเลยกันเป็นการอนุเคราะห์ซึ่งกันเลยกันเมื่อการประชุมนั้นยังเป็นไปได้เพียงนั้นสิ่งใดที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้สิ่งนั้นที่รู้แล้วก็จะเจริญแม่นยำชำนาญแก่การที่ไม่ได้ไปประชุมและเป็นอุบายสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจไมตรีในระหว่างที่เป็นหมู่เป็นคณะนะเป็นหมู่เป็นคณะถ้าคนเหล่านั้นมันประชุมอยู่เพียงใดก็สอให้เห็นเป็นความสามัคคีเป็นความเจริญอยู่เพียงนั้น นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายเพียงข้อแรกท่านก็มองเห็นแล้วว่าพระภิกษุสมมเนธ น, นั้นถ้าหากว่ามีความพร้อมเพรียงกันประชุมกัรเองนิดนะแน่นอนที่สุดกิจการต่างๆที่เรามุ่งหวังเอาไว้มันก็สาเร็จลงด้วยดีนะไข้อนี้เดี๋ยวนี้มันไม่อ ย, อย่างนั้นพอนักวันประชุมเขาแล้วไม่มีใครมาประชุมนะไม่มีการมาประชุมไอ้ที่มาก็เลยไม่ครบองค์ประชุม นะไม่ครบองค์ประชุมเหมือนจะเป็นอย่างนั้นกันหมดแล้วในทางโลกก็รู้สึกว่าจะใกล้เคียงกันก็ขอประทานโทษที่จะพูดภาพจพียงไปหน่อยอย่างเช่นว่ามีการประชุมรัฐสภาขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าบางทีเก้าอี้ว่างนะเก้าอี้ว่างเยอะหนะังสือพิมพ์จึงได้ลงว่าข้อขอดอยู่เป็นประจำนะนี่แหละในทางโลกก็ในทางธรรมเหมือนกันก็ต้องดําเนินรอยตามนี้นะถ้าหากว่าไม่มีการประชุมกันไม่มีการอสอบถามกัน ในปัญหาต่างๆมันจะสําเร็จรู่ร่วมไปได้อย่างไรนะก็ต่างคนตา่างทำต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแก้แน่นอนที่สุดอย่างนี้ประเทศชาติาศาสนาก็ล่มจมนะล่มจมไม่เป็นไปเพื่อความสุขไม่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เป็นไปเพื่อความก้าวหน้า<ม>และการที่มีการประชุมนั้นผู้ที่รู้น้อยก็จะได้รับความรู้จากผู้ที่มีความรู้มากช่วยแจกแจงอธิบายในข้อที่ทนไม่รู้่วที่รู้แล้วไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้น นี่นะต้องมีการชี้แจงกันฉะนั้นจึงบอกว่านี่แหละเมื่อถึงคราวประชุมต้องพร้อมเพรียงกันประชุมอบอกนัดประชุมบ่ายโมงก็ต้องบ่ายโมงเราต้องไปก่อนแต่นี่บางทีนัดประชุมบ่ายโมงโนอนมาบ่ายสองโมงมันก็เสียเวลาเสียเวลาสําหรับคนที่เขามีความตรงต่อเวล า, าเวลาเป็นการเป็นงานเวลาเป็นเงินเป็นทองอเวลาเป็นคุณค่ า, าเวลาเป็นคุณค่าฉะนั้นคนโบราณจึงได้พูดว่าอันเวลาวารี ไม่คอยใครเรือเมยและรถไฟมันก็ไปตามเวลาถึงเวลาแล้วเขาออกแล้วเราจะบอกให้คอยเดี๋ยวคอยเดี๋ยวไม่ได้นะไม่ได้อันนี้เขาต้องมีเวลาถ้าหากว่ามีการคอยกันได้ก็ได้มันก็มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องเวลาเวลาก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าฉะนั้นคนรู้จักคุณค่าของเวลาแน่นอนที่สุดย่อมเคารพเวลานเข้าตามเวลาที่กําหนดไว้เลิกตามเวลาที่กําหนดไว้และใช้เวลาที่ ประชุมกันนั่นทํากิจการงานน้อยใหญ่ในกิจที่ทำคาที่พูดต่างๆให้เป็นประโยชน์เต็มความสามารถอย่างนี้แหละคือคนที่รู้จักเวลารู้จักคุณค่าของเวลาและใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ อ, อย่างนี้ใช้ได้ฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จึงมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอบางครั้งนี่นประชุมไม่สำเร็จสักทีกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สําเร็จอ่าคนนั้นไม่มาคนนี้ไม่มาว่างแหมขาดคนสําคัญซะด้วยทีนี่ ก็ไม่มาแต่ตัวจอกๆอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องนะไม่ได้ความรู้อะไรอนี้ไม่ดีบางครั้งประชุมตกลงไปแล้วพอผู้ใหญ่ท่านมาภายหลังท่านไม่เอาะอะไรแล้วมันก็มีปัญหามากนี่แหละบางครั้งก็ทําให้เกิดการท้อถอยเหมือนกันนี่แหละมันก็เป็นบบาเกิดแห่งความเสื่อมนะเป็นบบาเกิดแห่งความเสื่อมฉะนั้นถ้าเราไม่ปรารถนาความเสื่อมเราก็จะต้องมีการพร้อมเพรียงมันประชุมกันเนืองนิดนะต้องมันประชุมกันอยู่ตลอดเวลา นะแล้วจะมีแต่ความเจริญในข้อที่สองเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทํากิจที่สงจะต้องทํานะอันนี้ก็หมายความว่าพร้อมเพียงกันประชุมนั้นเป็นทางแห่งความเจริญทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายครือหัดโดยตรงเพราะความสามัคคีกันในเวลาประชุมย่อมสอสแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ปรากฏแก่ผู้ได้รู้ได้พบเห็น นะให้ในรู้ในพบเห็นอันนี้ขอประธานโทษยังกับในทางผู้แทนเหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของรากฎรดงนะของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศฉะนั้นการที่ผู้แทนได้ทําหน้าที่ในการประชุมที่รัฐสภ า, าก็แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเห็นที่จะช่วยกันสร้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกันทั้งประเทศแต่ถ้าหากว่าเราไม่ประชุมกัน นะไม่พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมก็ไม่พร้อมเพรียงกันเลิกแน่นอนที่สุดอันนี้ก็จะทําให้กิจการบ้านเมืองของเรานั้นไม่สําเร็จตั่วง้วยดีก็ถือว่าเป็นภัยต่อประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อีกเหมือนกันฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าการที่เราได้สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะปรากฏแก่ผู้ใดที่ได้รู้ได้พบได้เห็นเข้าก็อาจจะทําให้คนบางพวกนั้นมีความเกรงขามได้นะีมีความเกรงขามได้ นะหรือคนที่คอยจ้องที่จะเอาเป็นเครื่องโจมตีหรือก่อในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็เกรงกลัวว่าเออเขากําลังประชุมกันแล้วนะ<ม>เขากําลังรวมกลุ่มกันแล้วนะเขากําลังต่อต้านแล้วนะนี่ทําให้เขาเกิดคิดท้อขึ้นมาแล้วไม่กลา้าในะคนที่มันคิดร้ายมันก็ไม่กลา้านะไอ้ที่คิดร้ายก็บางครั้งก็ทําอะไรไม่ได้เพราะอาศัยความพร้อมเปลี่ยนกันนะเพราะอาศัยความพร้อมเปลี่ยนกันนั่นเองอันนี้ก็ อามีตัวอย่างยังเกี่ยวกับเรื่องอนกกระจาบนะที่พระพุทธองค์ก็ได้จัดไว้อในธรรมบทก็ได้ด้วยในมงคลนั่นก็มีเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมเพรียงกันว่านกกระจาบฝูงหนึ่งเนี่ยมีความพร้อมเพรียงกันมากเวลาไปกินที่ไหนก็ไปลงบินไปลงที่ไหนก็พร้อมเพรียงกันลงอเวลาจะขึ้นก็พร้อมเพรียงกันขึ้นอวันหนึ่งก็ไปติดข่ายของในพรานเขาที่ไปดักอนกนั้นก็ปรากฏว่าพร้อมเพรียงกัน พาดขายนั้นบินขึ้นไปติดอยู่บนต้นไม้นะเป็นอย่างนี้อยู่หลายๆครั้งแต่พอมาคราวหลังนี้นกนั้นเกิดความแตกสามัคคีกันทั้งฝูงเลยนกก็จับพอไปติดอขายของในพรานเข้าต่างคนต่างก็ยางเอาตัวรอดนะมึงบินทีกูบินทีคนละทีสองทีปรากฏว่าในพรา น, น, รานก็เลยจับได้หมดเลยนี่แหละคือความแตกสามัคคีกันฉะนั้นในทางชาติศาสนาเหมือนกัน ถ้าหากว่ามีความแตกกันไม่ลงรอยกันไม่พร้อมเพียงกันประชุมไม่พร้อมเพียงกันเมื่อเลิกประชุมก็ไม่พร้อมเพียงกันเลิกเมื่อถึงมีกิจการที่ศาสนาที่สงฆ์จะต้องทําก็ไม่พร้อมเพียงกันทําในทางโลกก็ไม่พร้อมเพียงกันทําแน่นอนที่สุดมันก็มีแต่ความหายันตมีแต่ความเสื่อมทามนะมีแต่ความเสื่อมทามลูกเดียวแล้วก็อันนี้แหละเป็นปัญหาสําคัญนะเป็นปัญหาสําคัญฉะนั้นก็จึงบอกว่าถ้าหากว่า กิจาการอันใดที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้มีความสามัคคีกันเช่นนั้นแม้ที่เป็นกิจที่คนคนเดียวไม่อาจทำได้ก็จะสำเร็จได้ถ้าอาศัยความสามัคคีช่วยกันทำกิจนั้นก็จะลุล่วงไปได้โดยสะดวกโดยสบายแม้แต่หมู่กลวกที่มีตัวเล็กๆน้อยๆก็ยังอาจทำรังโตโตได้เพราะอะไรก็เพราะอาศัยความสามัคคีกันเพียงแค่วันแค่คืนแค่นั้นรู้สึกว่าบางครั้งมันก่อขึ้นมาสูงเป็น หลายๆเม็ดก็มีนะเป็นเม็ดเป็น2เม็ดสาเม็ดก็มีบางทีก็ใหญ่เป็นภูเขาหน้อยๆก็มีนี่เพราะอะไรก็เพราะอาศัยความสามัคคีนั่นเองนะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันพวกบันประชิดเหมือนกันพวกคารหัดเหมือนกันถ้ามีความสามัคคีกันมันประชมว่าอะไรควรแก้ไขอะไรควรปรับปรงุงนะไอ้กิจที่ยากกาจะกลายเป็นกิจที่ง่ายไอ้กิจที่ใหญ่ก็กลายเป็นกิจที่เล็กนะไอ้กิจที่ง่ายที่เล็กก็พลอยทําอะไรได้สะดวกสบายในคะล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่าง อันนี้มันก็มีแตกความเจริญอันนี้เราเห็นชัดอยู่เลยนาเราเห็นชัดอยู่เลยฉะนั้นอันนี้เราจึงว่าเราจะต้องพร้อมเปลี่ยนกันนะพร้อมเปลี่ยนกันอันหนึง่งความสามัคคีนี้อาจปกครองหมู่คณะได้นะเหมือนกับฝูงแมลงพึ่งและต่อแตนซึ่งเป็นตัวเล็กๆแต่ว่าสามัคคีกันไม่เคยแตกหมู่คณะจึงทําให้เกิดความเกรงขามขายาดแก่หมู่มนุษย์ได้อาจป้องกันพยันอันตรายและหมู่คณะของตนได้หากแมลงเหล่านั้นจะไม่สามัคคีกันต่างตัวต่างก็จะเที่ยวไปแต่ลําพัง แน่นอนที่สุดพวก เ, เราพวกคนเรามนุษย์เราก็คงจะไม่คั้นคลั่งอาจจะปราบขยี้บีเสียอก็ตายเปล่าๆถึงความพินาศฉะนั้นถ้ามีความสามัคคีกันแล้วแน่นอนที่สุดก็อาจจะดํารงขนมรำเนียมประเพณีนะถนมความเป็นชาติไทยเอาไว้ได้นะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละคนไทยจึงได้รักษาขนธรรมเนียมประเพณีมาแต่การโบราณอา่าแล้วก็สืบให้ลูกหลานได้อยู่ไปชั่วการนานาตราจนทุกวันนี้ เป็นการติดความชั่วช้าสามามต่างๆจึงเป็นทางแห่งความไม่เสื่อนมะอันนี้เราเห็นชัดอย่างพวกตัวมแมลงเนี่ยนักเกรยียนนักศึกษาทั้งหลายโดยเฉพาะตัวผึ้งนีนะ่นี่ดูสิสังเกตดูมันจะมีตัวพยาอยู่ตัวหนึ่งนะพยาตัวนี้แหละมันเป็นตัวนำกลุ่มนะตัวนำกลุ่มดีมากนะฉะนั้นถ้าเราจับตัวพยาเสแล้ว <c oughs> พวกบรรดาตัวอื่นก็ต้องลอยตามไปด้วย เมื่อพูดถึงพึ่งก็คือว่าบางครั้งเราเคยจะได้ยินได้ฟังทางอหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางสถานีวิทยุก็มีะแต่ว่ามีน้อยแต่จริงๆแล้วตําเหตุการณ์ชาวบ้านจะมีมากเกี่ยวกับเรื่องพวกมแมลงเพึ่งได้ต่อยคนนะมันยกมาทั้งฝูงยกมาทางรังมาต่อยเอาคนตายก็มีนะบางครั้งในคนต้องเรียกให้ไปช่วยนะเรียกจนหมดลมว่างันมันต่อยหมดเลย นะต่อยเป็นครึ่งครึ่งชั่วโมงนี่เรียกว่ายกมาทั้งรางทั้งฝูงเลยเป็นหมืน่นหมื่นตัวว่างั้นเถอะนี่ยอันนี้ตัวตะไมงก็เคยประสบพบเห็นอย่างนี้นะนะประสบพบเห็นอย่างนี้คนที่ไปช่วยนั้นจะต้องจุดไฟเอาไปไล่นะจุดครบเรียก ว, ว่าจุดครบขึ้นอ่ให้มันเป็นควันขึ้นไปไล่จึงไปรับออกมาได้นะ <c oughs> ฉะนั้นอันนี้แหละที่บอกว่าก็อาศัยความสามัคคีนะฉะนั้นมาในข้อที่สามที่บอกว่า ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไปแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้นะอันนี้ก็หมายความว่าธรรมดาบุคคลที่เกิดมาต้องอาศัยมารดาบิดาประคับประคองเลี้ยงดูไม่ว่าจะกล่าวสั่งสอนตักเตือนอย่างไรก็ต้องอาศัยมารดาบิดาครูอาจารย์นะให้มีให้เราได้มีความรู้มีความเจริญก็อาศัย บิดามันดาครูอาจารย์ก็เพราะอาศัยฟังคำสั่งสอนและปฏิบัติตามโอวาทนะโอวาทของมันดาบิดาของครูอาจารย์แนะนําให้เรารู้จักดีรู้จักชั่วบอกทางดีหนีทางชั่วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแนะนําให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีที่ชอบประกอบด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไม่ให้ฝ่าฝืนประพฤติในสิ่งที่ชั่วนะนอกลู่นอกทาง หากว่าตระกูลใดคนใดที่อ่าจะไม่เสื่อมทามทรุดทมลงไปได้ก็จะอก็จะให้ทําไว้ให้รักษาไวนะ้คือหมายความว่าอ่ารักให้เราทุกคนนั้นรักษาวงตระกูลที่จะไม่ให้เสื่อมให้ทรุดโทรมไปนะอะไรที่มันดีมันงามก็ให้รักษาไว้นะให้รักษาเอาไวนะ้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังต่อไปนะเพื่อให้ดํารง วงจักรูนไปอยู่ได้ชั่วการลนานไม่คัดค้านถอดถอนบัญญัติขึ้นใหม่ที่ไม่ดีข้อนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองไม่มีความเสื่อมเลยอันนี้ก็หมายความว่าให้เราทุกคนนั้นประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเว้นที่ข้อข้อที่พระพุทธองค์ห้ามทําตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตถ้าหากว่าเราเห็นว่าไอ้ที่พระองค์ทรงห้ามมา น, นั้นมันเป็นเรื่องลําบาก นะก็ไปถอดถอนเสียนะเปลี่ยนแปลงใหม่เอาตามใจของตัวเองอย่างนี้ความจเจริญรุ่งเรืองมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นเพราะคนเราโดยมากก็ทําอะไรตามอําเภอใจทําอะไรตามกิเลสตัณหาตามความปรารถนาของตนก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงคิดแล้วว่าสิ่งที่พระองค์ได้บรรัญญัติไปนั้นก็ไม่ใช่บัญญัติไว้ล่วงหน้าบัญญัติตามเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ที่ไดด้้เกิขึน อันนี้แหละแสดงพระองค์เป็นอริยะนะเป็นนักกฎหมายที่ที่ยุติธรรมนะเรียกว่าตรากฎหมายขึ้นมาร่างกฎหมายขึ้นมาด้วยความบวิสุทธยุติธรรมนะเหนือกว่ากฎหมายบ้านเมืองอย่างชนิดที่ว่าเทียบกันไม่ได้เลยนะเทียบกันไม่ได้ <c oughs> ฉะนั้นอันนี้แหละถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ไม่ทอดถอนใน สิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นข้อห้ามนะอย่างนี้แล้วก็ไม่เพิ่มเติมอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามนะอันนี้แหละเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในข้อที่สี่ว่าพิสุเหล่าใดนะเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ให้เราเคารพนับถือพิสุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคําของท่านอข้อนี้ฝ่ายกระหัตก็ควรปฏิบัติตามวิสัย เพราะว่าหมู่คณะใดๆหรือสกุลวง์จะดํารงความสามาคัคคีอยู่ได้ก็ต้องอาศัยท่านาที่เป็นใหญ่เป็นประธานาเช่นบ้านเมืองประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็ต้องอาศัยพระเจ้าแผ่นดินประธานนาธิบดีเป็นหลักเป็นประธานาหรือประสัยนายกรัฐมนตรีเมื่อพระองค์ทรงดํำริการสิ่งใดตั้งขึ้นไว้เป็นพระราชบัญญัติเพื่อความเจริญในจังหวัดอาาเขตสีมามนทนประชา คนราชฎรก็ไม่ควรดูหมิ่นเลิกถอนนะ่เพึงประพฤติตามาโดยความเคารพนับถื อ, อพระองค์และพระราชาจะาให้เราประพฤติตามโดยความเคารพนับถือพระองค์และพระราชบัญญัตินั้นอันนี้เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ที่เกิดภาวะนําท่วมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการในปัจจุบันของเราพระองค์ได้เป็นห่วงเป็นใจนะ ต่อประชาชนที่ได้รับความทุกข์จากน้าท่วมมากถึงเกืบอบได้เสด็จออกม า, อาทอดพระเนตรดูนะแล้วก็ได้ร่างาแผนผังขึ้นต่างๆในคารที่จะสกัดกั้นน้ําท่วมในคารที่จะป้องกันในคารที่จะระบายเอาน้ํานั้นออกไปแนะนําให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆาที่รับผิดชอบได้ช่วยแก้ไขปรับปรุงให้ทันท่วงทีเรื่อยวาหลายครั้งทำให้เกิดความปิติเป็นอย่างล้นพ้นแก่พวก อเราชาวไทยนะเป็นร่มเกล้าชาวไทยเป็นอย่างยอดเยี่ยมนะหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้นะนี่นี่แหละจริงว่าฉะนั้นเราควรประพฤติปฏิบัติตามนะบางทีเราอาจจะนึกว่าแหมรู้สึกว่าถ้าหากว่าอะไรมันอยู่ในวังแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายแต่จริงๆแล้วพระองค์นั้นลําบากพระวรก า, ายเป็นอย่างมากนะไม่เคยได้สบายเหมือนอย่างเราเราสิกลับสบายยิ่งกว่าพระองค์เสอีกนะ พ ร, พระองค์นั้นจะต้องเอาพระไทยไปใส่กับราษฎรทั้งประเทศนะเรียกว่าสี่สิบหัวล้านถึงสี่สิบหกล้านว่างั้นเถอะนี่แต่ว่าเรานั้นบางทีก็รับผิดชอบเพียงแค่คนสองคนใ น, นบางทีก็ตัวของเราคนเดียวก็ยังมีความทุกข์นะฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าพระองค์นั้นต้องเอาพระไทยไปใส่ใจกับราษฎรทั้งประเทศราษฎรสุขพระองค์ก็สุขด้วยราษฎรทุกพระองค์ก็ทุกข์ด้วยนะฉะนั้นบรรดาพวกเราผศในก่อนก็ควรถวายความ จงรักภักดีถวายความเคารพท่านนาอันนี้แหละก็จะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญหมู่คณะหนึ่งหนึ่ ง, ห, งหรือสกุลวงก็ควรจงรักภักดีนับถือผู้ใหญ่เป็นประธานคือพ่อแม่เชื่อฟังถ้อยคําของท่านก็จะเป็นความเจริญสุขสวัสดิ์ไม่มีแต่ความเสื่อมเลยนะข้อที่ห้าว่าไม่ลุกอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นข้อนี้แม้คาราหัดก็จะปฏิบัติไม่ขัดขวางนะกลับเป็นทางแห่งความ จเจริญรุ่งเรืองเพราะความอยากดิ้นรนทะเยอทะยานอยากจนเกินฐานะหน้าที่ของตนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดโทษโทมนัสเพราะความปรารถนาทะยานอยากนั้นปล่อยใจไปตามความอยากอปล่อยใจไปตามความอยากไม่รู้จักจบสิ้นอได้เท่านั้นก็จะเอาเท่านี้ได้เท่านี้จะเอาเท่านั้นนึกว่าได้เท่านั้นแล้วก็จะหยุดจะพอปลา่ามันกลับต้องการมากยิ่งขึ้นฉะนั้น สมด้วยพุทธภาสิทธิที่ว่านัตติตันหาสมานัตีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีแม่น้ํานั้นมันมันเต็มแล้วมันก็มีวันพร่องนะมันเต็มแล้วก็มีวันพร่องมีวันยุบวันแห้งบ้างน้ําน่ะแต่ว่าตันหาน้ําคือตันหานี่มันขึ้นแล้วมันขึ้นเรื่อยเรื่อยมันลงยากนะมันลงยากฉะนั้นจะบอกว่าอตันหานี่รู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยถึงที่สุดก็อาจชักจูงให้เกิดการฆ่ากันอ่ามีการลักชอโกงกันบ้าง ประพฤติการเมสุมิจฉาจารบ้างแสดงอาการเท็ดด้วยกายวาจาใจาเป็นต้นบ้างนะแต่ว่าชักชวนผู้อื่นให้ทําเช่นนั้นบ้างย่อมทําให้เกิดโทษอย่างนี้นะเป็นบ่อกเกิดโทษอย่างนี้อันนึงเมื่อเราอยากได้สิ่งใดเมื่อไม่ได้สิ่งนั้นสมประสงค์เราก็เป็นทุกข์นะอยากมากก็ยิ่งทุกข์มากความอยากย่อมให้เกิดทุกข์อย่างนี้ฉะนั้นเราควรจะศึกษาหรือทําอะไรที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนี้เราควรจะพิพจารณามากๆ เราก็จะมีแต่ความสุขนะพวกโทษทุกข์ต่างๆก็จะครอบงําอะไรเราไม่ได้จําเป็นที่พวกเราเครือขัดควรจะขจัดความอยากที่มันเกินฐานะให้น้อยให้เบาบางลงไปนะแน่นอนที่สุดเรายังเป็นปุถุชนมันก็มีความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเราโลกเกินไปโกรธมากเกินไปลุกอํานาจแก่งความโกรธมีความหลงไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเป็นคนหูเบาเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนถือดีเป็นคนถือด้นนอานมีมานะทิฏฐิ ก็จะกลายเป็นคนอาฆาตันอยู่นะอาจจะคิดทำลายผู้มีพระคุณก็ได้นะเป็นคิดทำลายผู้มีพระคุณก็ได้ฉะนั้นเราทุกคนนั้นก็ควรไม่ลุกอำนาจแห่งความอยากเมื่อเราไม่ลุกอำนาจแห่งความอยากแน่นอนที่สุดก็จะทำให้เรานั้นมีแต่ความสุขความสบายมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยราการที่หกก็คือว่าให้เรายินดีในเสนาสนะป่าข้อนี้เมื่ออข้อนี้ก็เพื่อจ ะ, อะผ่อนปฏิบัติ หรือหมายถึงว่าเพื่อจะให้เราได้ปฏิบัติให้เหมาะนะให้เหมาะสมกับภาวะของตนหรือว่าแก่พวกเครือขัดก็ควรจัดเอาความอยู่ในที่สงัดตัดอะไรในหมู่คณะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลเจริญภาวนารักษาสติอารมณ์ตามที่จะทําได้ความสุขอันเกิดแต่วีเวกก็จะมังเกิดมีถ้าผู้ใดยินดีในหมู่คณะนะอันประกอบด้วยธุระขังวลห่วงใ ย, ยไม่มีที่สิ้นสุดผู้นั้นก็จะมีแต่ความเสื่อมไม่มีแต่ความเจริญเพราะว่าเกิดเป็นห่วง เป็นอ่าเป็นห่วงเป็นใหญ่มีแต่ความอาลัยนะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือว่าเราจะต้องยินดีในเสนาสนะอันสงัดก็คือพยายามตัดหมู่คณะออกไปบ้างอ่าการที่เราคลุกคลีกับหมู่คณะบ่อยๆแน่นอนที่สุดมันชักมาชักนํามาซึ่งความทุกข์ชักนํามาซึ่งความทุกข์ฉะนั้นเราเป็นฆราวาสก็คือต้องเปลี่ตัวออกไปเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิจเจริญสมถะเจริญวิปัสสนานะ ก็จะทําให้เรานั้นได้สุขยิ่งๆขึ้นสิ่งเหล่านี้ใครทําใครได้นะใครไม่ทําใครไม่ได้ใครไม่รู้เพราะมันเป็นปัจจัดทางคนไหนกินข้าวเองคนนั้นก็อิ่มเองคนไหนไม่กินคนนั้นก็ไม่รู้ไม่อิ่มนะฉะนั้นเราต้องทํานะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องสร้างาสมบุญกูทานการกรุศลเอาไว้นะเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะได้เกิดมาเป็นเทพพญดาเราจะได้เกิดมาเป็นพรหมรูกประโคมหรือถึงที่สุดเราอาจจะ มีบุญว่าสนาตัดกิเลสตายลายกิเลสทิ้งอาจนถึงวิมุตได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญว่าสนาของเรานะเป็นบุญว่าสนาของเราฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าเราควรจะหาทางอยู่ในสงัดเรียกว่า <c oughs> ถ้าเป็นพระก็คือว่าให้ยินดีในเสนาสนะอันสงัดแต่ว่าพระองค์ก็นักจะพูดว่าให้ยินดีในการอยู่ป่าเพราะว่าการอยู่ป่านี้ก็คือเท่ากับว่าปลีกตัวออก ปนะลีกตัวออกจากหมู่คณะออกจากฝูงตัดความอาลัยตัดความห่วงใยกับการคุกคลีกับเพื่อนฝูงกับการคุกคลีกับพวกชาวบ้านนะเราอยู่ในป่า ก, ก็จะมีแต่ความสงบเป็นอุบายที่ให้เกิดกายวิเวกเมื่อมันสงบกายแล้วก็เป็นอุบายที่จะจะทําให้เกิดจิตวิเวกนะก็คือสงบจิตสงัดจิตเมื่อเราสงบสงัดจิตแล้วก็เป็นอุบายที่ให้เกิดอุปธิวิเวกก็คือสงบสงัดจากกิเลส ต, ต้นเอง เราก็จะมีแต่ความสุขนะมีแต่ความเจริญนะไม่มีความทุกข์เลยนะเมื่อเราได้มาพินิจพิจารณาจุดตรองจับเหตุผลต้นปลายอย่างนี้ได้เราก็จะต้องพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดประโยชน์แก่เราแก่หมู่คณะนะแก่หมู่คณะก็คือว่าพยายามอาสร้างหรือว่าสะสมบุญทานการกุศลนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะต้องทำํำนะ อบุญต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานั้นมันเป็นความสุขที่หยิบยื่นให้กันไม่ได้ความสุขที่เราหยิบยื่นให้กันอที่เกิดจากสามีภรรยาหรือเกิดจากคู่รักเกิดจากเพื่อนฝูงนั้นมันเป็นความสุขภายนอกความสุขอย่างนั้นมันมีไม่นานอมีไม่นานแต่ว่าความสุขอันเกิดจากที่เราได้ปฏิบัติธรรมอ่าได้อ นั่งสมาธิจเจริญสมาถะวิปัสสนามันเป็นความสุขอย่างสูงสุดเนีใครก็ลักไปไม่ได้โจนผู้ร้ายรักไปไม่ได้น้ํากว่าพัดพาไปไม่ได้นะนี่เรียกว่ามันจะติดตามตัวเราไปแล้วก็สุขอย่างนี้เป็นอมตะสุขนะเรียกว่าเป็นสุขที่ไม่มีอามิตรเนะีไม่มีกิเลสกันหาเจือปนฉะนั้นขอให้เราทุกคนทั้งที่เป็นบรรปชิตแลอเป็นเครหัสก็ควรจะ นำไปประพฤติปฏิบัติว่าควรหาโอกาสหาโอกาสทําจิตใจให้สงบเท่าที่โอกาสจะมีได้อย่าคิดว่าไม่มีโอกาสถ้าเราพูดไม่มีโอกาสมันก็จะไม่มีโอกาสตลอดไปฉะนั้นเมื่อเราหาโอกาสอยู่ในที่สงบเงียบตามโอกาสตามฐานะของเราเราก็จะมีแต่ความเจริญจะไม่มีความเสื่อมเลยในข้อที่เจ็ดคือข้อสุดท้าย <c oughs> ว่า ให้เราตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนที่สุสามเแดซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่สู่อาวาสก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขนะข้อนี้เมื่อนิยมตามข้อปฏิบัติของกระหัสก็คือว่าตั้งใจให้คนดีมาอยู่ในสถานอในสกุลวงของตนอ่าเป็นอันเรียกว่าเท่ากับว่าเป็นการกีดกัน ร, ระบายพวกคนภารชนให้ออกห่างไกลไปนะต่อวงตระกูล<ม>คือถ้าวงศตระกูลของเรามีคนดีมามาก ไอ้พวกคนไม่ดีมันก็เข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้แต่นี้ถ้าหากว่ามีคนดีมามากไอ้วงตระกูลของเราก็เจริญวงตระกูลของเราก็เจริญก็เป็นมงคลเราได้มีโอกาสในสนทนาธรรมได้มีโอกาสอาศัยคบกับคนที่อเป็นมงคลเป็นบัณฑิตมันก็เจริญทุกสิ่งทุกอย่างเพราะบัณฑิตย่อมจักนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์บัณฑิตย่อมจะแนะนําในสิ่งที่เป็นธุระบัณฑิตย่อมจะแนะนําในสิ่งที่ไม่ขอให้เกิด แ่ความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็บัณฑิตนั้นก็ย่อมจะบอกทางดีชี้ทางชั่วเหมือนกับจุดคบเพลิงอส่องแสงสว่างไปพาเราไปสู่ที่มืดให้ลุล่วงไปได้ตามความมุ่งมา่นปรารถนาฉันนั้นเมื่อเรามาคิดอย่างนี้ได้ก็ขอให้เราได้ตั้งจิตตั้งใจนะเรียกว่าพยายามแสวงหาคนดีคบคนดีเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอแล้วเราก็จะอยู่กันด้วยเมตตาพรหมหาร เมื่ออยู่กันด้วยเมตตาพรหมวิหารเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญก็จัดว่าเราได้มีสิ่งที่พึงคมนักอันประเสริฐนะอันประเสริฐอันสูงสุดนะฉะนั้นอันนี้แหละก็ถือว่าจัดเป็นอริยายธรรมไม่เป็นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญลูกเดียวฉะนั้นอันนี้ท่านาสาธุชนที่ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอริหานิยธรรมคือ ทำไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแล้วก็คิดว่าลองนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอภัิหายธรรมมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขความสุขวันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอริยรัพ7เจตการนะอริยสัพอริยสัพเจตการนะคำว่า อริยะแต่ว่าประเสริฐคําว่าทรัพย์ก็คือว่าความดีที่มีที่มีอย่างประเสริฐนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐเจ็ดอย่างคือหนึ่งศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อสองศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสามหิริความละอายต่อบาปทุจริตสี่โอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตห้าพาหุสัจจะความเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังมามาก คือทรงจำธรรมและรู้ศิลปะวิทยามากหกจคกสละให้ปันของของตนแก่คนที่ควรให้ปันเจ็ดปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อริยทรัพย์เจ็ดประการ น, นี้ดีกว่าทรัพย์ภายนอกมีแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นฉะนั้นเราควรแสวงหาให้มีขึ้นในใจิตใจ ผู้ศึกษาก็ควรจะทราบว่าคําว่าเรียทรัพยบถ้าแปลโดยทยันชนะก็แปลว่าทรัพย์อันประเสริฐหรือว่าทรัพย์ของท่านผู้ประเสริฐโดยอัดโดยความหมายก็แปลว่าคุณธรรมอันล้ำเลิศเป็นเครื่องยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบฉะนั้นก็จะขยายความแต่ละข้อเพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นข้อแรกที่บอกว่าศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ จัตวาแปลตามตัวอักษรก็คือว่าความเชื่อความเชื่อนี้จำแนกออกเป็นสองอย่างคือเชื่อโดยตรีตรองแล้วมีเหตุอ่ามีเหตุมีผลที่ควรเชื่ออย่างนี้เรียกว่ายานะสัมปยุตยานะสัมปยุตเชื่อโดยไม่ได้ตรีตรองให้เห็นเหตุผลที่ควรเชื่อเรียกว่ายานะวิปยุตยานะวิปยุตหรืออธิโมก ในความเชื่อสองอย่างนี้ความเชื่อที่จัดเป็นอริยสัพ์ประสงค์เอาความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เชื่อโดยไม่มีเหตุไม่มีผลหรือไม่ได้เชื่อโดยไม่มีมูลคือปราศจากเหตุจากผลที่จะควรเชื่อถือได้นะอันนี้ก็เป็นการเชื่อโดยความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าศรัทธาเป็นญาณนะสัมปยุทธนิยมอ เอาความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งนะจะเป็นทรัพยนะ์อันประเสริฐสัทธานีา้ถ้าพูดถึงาตามหลักก็ยังแบ่งออกเป็นอีกสี่อย่างก็คือว่าหนึ่งกรรมมัทฉาเชื่อเรื่องกรรมอสองวิปากัทธาเชื่อผลแห่งกรรมสามกรรมมัจกาตาศรัทธาเชื่ อ, อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนสี่ตถาคตะโพธิศัทธาเชื่อพระ ปิชายานของพระตถ า, าคตก็คือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถ า, าคตนั่นเองอความยังรู้ถึงกุศลกรรมหรือว่าความดีโดยคาดหน้าไว้ว่าเป็นเหตุให้ผลเป็นที่น่าปรารถนาแก่ผู้กระทาและความยังรู้ซึ่งอกุศลคือความชั่วคาดหน้าว่าเป็นเหตุให้ผลอันไม่เป็นที่ปรารถนาแก่ผู้กระทำ อ, อันนี้ก็โดยอนุวัตตามูลเหตุ แล้วก็เชื่อลงเหมือนกับแพทย์ผู้ยังรู้สมุดฐานของโรคนะว่าทาอย่างนี้จะให้เกิดความสำรานหรือว่าเกิดโรคแก่ร่างกายนะแล้วก็ประกอบอุบายชักนำหรือว่าบำบัดโรคเหล่านั้นอย่างนี้จัดว่าเป็นกรร ม, มสัทธาเชื่อกรรมใ้ความรู้ถึงวิบากถึงผลแห่งกรรมนะถึงผลแห่งกรรมสาวไปหาต้นเหตุว่ามีโมลมาแต่กรรมนั้นเหมือนแพทย์ รู้โรคแล้วก็ค้นพบสมุดฐานของโรคนั้นเชื่ออย่างนี้เรียกว่าวิปากสัตถาเชื่อผลแห่งกรรมเชื่อว่าเราทําดีต้องได้ดีเราทําชั่วต้องได้ชั่วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเชื่อผลแห่งกรรมเชื่อผลแห่งกรรมทีนี้ความรู้ว่าสัตว์ผู้มีกิเลสน้อยใหญ่มีกิเลสน้อยใหญ่ก็ย่อมจะต้องสวยผลแห่งกรรมนั้นทําชอบก็ได้สวยผลอันดีทํำผิดก็ได้สวยผลอันชั่วกรรมย่อมจําแนกสัตว์ อให้เต็นไปในทางดีก็ได้ชั่วก็ได้ให้ประนีตก็ได้ให้หยาบก็ได้นะกรรมมังสัตวิริภันะจจิตนะกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้ดีให้เลวนะให้ประนีตต่างๆกันไปอย่างนี้นะจัดว่าเชื่อกรรมมัศกาสถานนะก็คือว่าเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของนนะตนว่าตนเองเป็นเจ้าของแห่งกรรมเอมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่ทุ่งพาอาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องนะ มีกรรมเป็นแดนตเกิดเราทํากรรมอย่างใดก็ย่อมได้รับกรรมอย่างนั้นทําดีได้ดีดทําชั่วได้ชั่วอนี่แหละเราเชื่อว่ากรรมมสัสการตาศรัทธาเชื่อ ว, ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนความเชื่อที่เรียกว่าพระพุทธองค์หรือว่าพุทธเจ้าทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบเป็นผู้บริสุทธิ์บริบรูรณ์โดยสิ้นเชิงจากที่เลสันหาจากเครื่องร้อยรับทุกสิ่งทุกอย่าง อ, อย่างนี้แหละเรียกว่า เชื่อเจ้ถาคตะโปทิตาหมายถึงว่าเชื่อพระปัญญ า, อ, าองค์ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือบางทีเราก็ที่เป็นบทสรรเสริญว่าอารหังรหังสัมมาสัมพุทธโภคกวา่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอารหันตตรัสรู้ทำที่จริงชอบตามลําพังสว่างขาโตพระกว่าตาธรรมโมทำที่พระองค์ตรงสแสดงสั่งสอนเวนยายสัตว์นั้นได้ชื่อว่าตรัสรู้ชอบแล้ว ปฏิบันโนภะวโตสาวก ส, สังโฆสงสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติชอบแล้วอย่างนี้ชื่อว่าตถาคตโพธิสัทธาคือเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้าศรัทธานี้เป็นกุศลธรรมส่วนเจตสิกเมื่อเกิด ข, ขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วก็ทําให้ผู้นั้นมั่นคงในกิจที่ทําคําที่พูดกําจัดโทษที่เป็นฆ่าสึกแข่งตนคือความไม่เชื่อและความเคลือบแฝงสงสัยให้หมดไป คตัววิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเป็นเหตุให้เราไม่กล้าหานเกิดความลังเลในกิจอที่ทําคําที่พูดนั้นๆมีคําสั่เสริญไว้ในบาลีว่าศรัทธาเป็นเพื่อนสองของบุรุษศรัทธาตั้งมั่นแล้วก็ย่อมทําอะไรสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงศรัทธามีอธาาิบาย ได้กว้างฝวางไปกรณนี้อีกเยอะไปกว่นี้อีกเยอะฉะนั้นที่ยกมาในก็เกี่ยวกับเรื่องอตัวศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อในข้อที่สองที่บอกว่าศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อ ย, ยอ ก, ากายวาจาให้เรียบร้อยศีลได้แก่ความตั้งใจสำรวมรักษากายวาจาให้เรียบร้อยปราศ จ, จากอากุศลกรรมและโทษอันจะถึงคฤหาอาศีลนี้ก็มีแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเป็น อนาคาริยวินัยอ่าก็คือเป<อ>็นเป็นศีลของบรนประชิตกับอาคาริยวินัยก็เป็นศีลของครุหัสในศีลสองประเภทนี้ก็คือปริสุทติศีลสีคือปาริโมกสังวรศีลสํารวมในพระปาริโมกอินทร์สังวรศีลสํารวมอินทร์สี่หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอาจีวะปาริสุทติศีลก็คือว่าการสํารวมในการเลี้ยงชีพในโดยทางบริสุทธิ์นะโดยทางที่ชอบปัจจเวคขณะศีลก็คือ ให้เราได้พิจารณาก่อนอบริโภคปัจจัยนั้นๆอย่างนี้ชื่อว่าเป็นศีลของบรรพชิตส่วนศีลของฆราวาสนั้นก็มีศีลห้าศีลแปดเรียกว่าศีลอุโบสถนี่เป็นศีลของครื่องหัดศีลนี้เป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาบอันจะพ้นเกิดทางกายและทางวาจาแล้วก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะก้าวหาคุณสมบัติเบื้องสูงเหมือนกับบันไดขนนั้นแรก เกิ ค, คนเราจะขึ้นถึงขั้นสูงได้ต้องไปตามขั้นตอนนะตามขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากว่าเราทุกคนมีศีล น, นะมีศีลมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่เจ็ดตามฐานะตามสภาวะของตนแล้วแน่นอนที่สุดผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญครอบครัวคนนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสังคมก็มีแต่ความสุขความเจริญประเทศชาติก็มีแต่ความสุขความเจริญฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้น จงเป็นคนมีศีลตามฐานะอย่างน้อยก็มีศีลห้ามีศีลห้าเรียกว่านิจศีลศีลแปดศีลสิบก็เรียกว่ามัชชิมศีลคือศีลอย่างกลางอมหาศีลก็ได้แก่ศีลสองร้อยี่บเจ็ดนี่เป็นศีลที่ใหญ่ที่สูงที่มากยิ่งขึ้นที่มากยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงบอกว่าอศีลนี่แหละอเป็นเป็นเบื้องต้นในการที่จะให้คนขึ้นไปสู่สูงได้เพราะว่าคนมีศีลนั้น ก็าด้บอกไปแล้วว่าสีเลนสุขติงยันตินะคนจะไปสู่สุขติไปเกิดในที่ดีได้นะก็เพราะศีลสีเลนโภคสัมปทาคนจะมีโปะสมบัติอของกินของใช้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ของดีหรือว่ามีอยู่ไม่ขาดอันนี้ก็เป็นเพราะมีศีลสีเลนะนิพุติงยันติคนจะไปถึงนิพพานได้ก็เพราะศีลนะมีศีลเป็นบาดฐานนะอันนี้มีศีลเป็นบาดฐานฉะนั้นพระพุทธภาศีลจึงได้จาดไป ว, ว่า สมาธิอันศีออลอบรมดีแล้วย่อมมีผลใหญ่และอนิสง์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่และมีอานิสง์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วก็ย่อมมีก็ย่อมพ้นจากอสวกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองอันหมักดองอยู่ในสันดานพระพุทธภาสิทธนี้ชี้เห็นว่าคนเราที่มีศีลนั้นแน่นอนที่สุดก็คือว่าจะทําให้มีความสุขกายสบายใจเพราะว่าศีลนั้นก็คือว่า อยู่ในที่ไหนนะอยู่กับคนใดก็ทําคนนั้นให้มีความสุขและถ้าอยู่ในสังคมใดสังคมนั้นก็ยังมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีแต่ความงดงามมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นขอให้เราทุกคนมีศีลกันพระพุทธองค์จึงไม่จัดไปว่าศีลลังโลเกอนุณตระงศีลเป็นเยี่ยนในโลกนะศีลเป็นเยี่ยนในโลกศีลให้สุขตราบเท่าชรานะศีลนําสุขมาให้ตราบเท่าชราฉะนั้น สีนี่แหละเป็นอาพรอันเสริจเหนือกว่าอาพรใดๆในโลกนะอาพรอย่างอื่นนั้นเรากระดับแล้วก็อาจจะมีพิษมนภัยแต่อาพรนั้นๆก็ต้องประดับให้เหมาะสมกับวัยของคนเด็กจะไปประดับคนใหญ่ก็ไม่สวยงามนะของคนผู้ใหญ่จะไปประดับคนเด็กคนเด็กก็ไม่สวยงามนะไอของลูกจะไปใช้กับของแม่ของพ่อไอของแม่ของพ่อจะไม่ใช้กับลกูกมันก็ไม่เข้ากัน แต่ว่าศีลนี้เป็นอภรรที่ประดับได้ทุกเทศทุกฝ่ยทุกชาติชันวรรณะเหมาะสมกับทุกคนปรนดับได้ประดับดีพระเทนทีประดับดีประดับได้ดดนดดดดนะ่สวยงามทางนั้นเลยนะฉะนั้นขอให้เราทุกคนเป็นคนมีศีล น, นะรักษาศีล น, นะรักษาศีลด้วยการวีรัสสามก็คือสมาทานวีรัสอ่างดเป็นด้วยการสมาทานไว้ก่อนสมปัติตาวีรัสงดเว้นในเมื่อเหตุการณ์ประชบเข้าแล้วก็สมุดเฉ็วีรัสก็คืองดเว้นอย่างเด็ดขาดได้แก่ศีลของพระพุทธเจ้า นะเมื่อเราทําอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขนะก็เท่ากับว่าเรามีทัพอันจะเสริญมาในข้อที่สามก็คือฮิรินะฮิริความละอายต่อบาปต่อทุจริตอดตปะปาดความสะดุ้งตัวต่อบาปทุจริตฮิรินั้นก็คือความละอายนะแต่ความละอายแต่ความเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติที่ไม่ดีไม่งามบุคคลใดยังมีความละอายใจในการประพฤติเช่นนั้นอแล้วก็ไม่กล้าทําทั้งต่อหน้าและรับหลัง เพราะนึกความกระดากอายเพราะนึกความกลัวบุคคลผู้นั้นจะได้ชื่อว่าประกอบอจะได้ชื่อว่าเป็นคนประกอบด้วยหีรินะแต่ก็ยังดีกว่าคนที่ที่ไม่มีความกระดากอายทีเดียวฉะนั้นบุคคลใดไม่กล้าทำกิจนั้นัน้นด้วยสำคัญว่าถ้าทำไปแล้วก็จะทำให้เสือเสนะเส่อมเสียแก่ชาติวงศ์ตระกูลนะเกียรเสื่อมเสียแก่ชาติวงศ์ตระกูลแล้วก็ไม่ทำนะก็ไม่ทำ ดังนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจิตใจแก่ขึ้นในใจิตใจฉะนั้นบุคคลผู้ใดเกลียดชังแต่ว่าประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเส้นนิสัยติดสันดานเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่ตั้งอยู่ในปฐมวัยกำลังรักสวยรักงามอาบน้ำชำละร่างกายให้หมดจดสะอาดดีแล้วพอเผิญต้งของโซ่ครเข้านะมาเปื่อนกายเข้าก็รู้สึกขยะแขยง บุคคลผู้ในได้ชื่อว่าประกอบด้วยฮิริแท้นะคือหมายความว่าไม่ประพฤติชั่วนะด้วยกายวาจาใจเกลียดความชั่วนะเกลียดความชั่วนะต่อการประพฤติพุทธเจดทางกายทางวาจาใจนะเป็นนิสัยชั่นดานเนี่ยเกลียดเหมือนกับใช้หนุ่มหญิงสาวนะที่รักสวยรักงามพยายามอาบน้ํำชำระอะไรมาเพื่อเขาก็รู้สึกว่าขายาะแขยงเหนือเกินนะโอตระปะนั้นก็คือความกลัวแต่การประพฤติ ใหสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะบุคคลใด ย, ยังมีความพอใจในการกระพือเช่นนั้นแต่ว่าไม่กล้าทำเพราะกลัวมารดาบิดาครูอาจารย์เจ้านายและญาติผู้ปกครองของตนจะทำโทษก็ดีกลัวอาจยาของแผ่นดินจะลงโทษก็ดีบุคคลผู้นั้นจะได้ชื่อว่าประกอบด้วยอสัปากข้หาไม่แต่ก็ยังดีกว่าคนผู้กล้าจะจากความกลัวทีเดียวส่วนบุคคลใดมีความตัวต่อบาปกรรมคนะือความ ที่ประพฤต์ชั่วอันผลของกรรมอผลของกรรมจะติดตามถล่มาเชื่อว่าจัตมีกรรมเป็นของของตนอบุคคลผู้รับผลหรือ ว, ว่าตนจะต้องได้รับกรรมที่ได้กระทําความชั่วนั้นนะอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าผู้นั้นมีความเกรงกลัวนะผู้นั้นมีอดตับตาคือความเกรงกลัวต่อบาปต่อความชั่วต่อทุจริตที่ได้กระทํานะเหมือนคนรักชีวิต หวาดตัวต่ออสรพิธแม้ตัวเล็กก็ไม่อาจเข้าไปใกล้ฉะนั้นนั้นบุคคลผู้ได้ชื่อว่าประกอบด้วยอดตัป่าแท้ทีนริอดตัปะนี้จึงเป็นปัจจัยให้บุคคลประกอบความดีงามนาถือว่าเป็นทางดําเนินไปหาความสุขสําราญอุ้มทันอุ้มสัตว์โลกไว้ไม่ให้จกไปสู่ที่ชั่วฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าทำเป็นโล ก, กบาลก็คือหมายถึงว่าทำเป็นเครื่องคุ้มครองโลกลรักษาโลกอีกประการหนึ่งหมายถึงว่า ถ้าหากว่าโลกจะไม่มีหิริไม่มีโอตระปาต่างคนต่างก็จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันนจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่การประหัสประหารแข่งแย่งชิงกันฉกชิงวิ่งราวกันมีการฆ่ากันเบียดเบียนกันนี่ก็เพราะเราไม่มีหิริไม่มีโอตระปะอย่างนี้ก็เลยที่ว่าไม่มีทรัพย์อันประเสริฐอยู่ภายในฉะนั้นคนที่มีหิริโอตระปาเนี่ยถือว่ามีกฎหมายอยู่ในใจเป็นกฎหมายที่เหนือกฎหมายทางโลกอย่างชนิดที่เทียบกันไม่ได้ ฉะนั้นฮิริจะเกิดขึ้นได้เพราะมาคำ น, นึงถึงชาติวงตระกูลว่าเรามีชาติเป็นอย่างนี้ไม่ควรประพฤติปฏิบัติเรามีตระกูลเป็นอย่างนี้ไม่ควรประพฤติปฏิบัติเรามีศักดิ์ศรีเป็นอย่างนี้ไม่ควรประพฤติปฏิบัตินะเมื่อเราคิดอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้เกิดความละอายเก็บใจละอายต่อาการกระทาความชั่วด้วยกายวัฏจัใจมีความเกลียดชังต่อบาปกรรมด้วยกายวัฏจักใจฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตัดเลยว่าฮิรินี่แหละเป็นเทวธรรมคือธรรมที่ทําคนให้เป็นเทวดา ฮ, ฮิริโอตตปะสัมปนาสุกะธรรมะสมาหิตาสันโตส ป, ปุริสาโลเกเทวธรรมติวุธเจเรบุคคนพูดถึงพร้อมด้วยฮิริโอตต ะ, ะ, ะมีธรรมอันขาวมีธรรมอันขาวตั้งมั่นดีแล้วแล้วก็มีความสงบเราเรียกพูดนั้นว่าเทวธรรมก็คือ มีธรรมที่ทําให้เป็นเทวดานะเทวธรรมก็คือทําให้เป็นเทวดาฉะนั้นคนจะเป็นเทวดาได้นี้ก็เรียกว่าไม่ต้องตายไปแม้แต่ว่าในขณะที่มีชีวิตเป็นอยู่ก็เป็นเทวดาได้เพียงแต่ว่ามีฮิริโอตปะสองอย่างนี้เป็นได้เลยนะเป็นได้นะฉะนั้นก็เป็นเครื่องชี้เห็นแล้วว่าฮิริโอตปะนั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่อยู่ภายในจิตในใจจริงๆนะมาในข้อ <c oughs> มาในข้อที่ห้าก็คือพาหุสัจจะนะพาหุสัจจนะความเป็นคนได้ยินได้ฟังมากก็คือทรงจำธรรมนะและรู้ศิลปะวิทยามากอนะพาหุสัจจะนี้กล่าวโดยรูปสับก็คือว่าความเป็นพาหุสูตรนั่นเองนะความเป็นผู้สูตรบุคคลผู้มีอัรถธรรมได้สดับมากกล่าวโดยความเป็นพาหุสัจจะนั้นก็คือความเป็นผู้ฉลาดในอัรถธรรมที่เกิดขึ้นเพราะการศึกษานะได้ยินได้ฟังมากนะ ได้ยินได้ฟังมากได้เรียนมากนะได้อบรมมากได้ปฏิบัติมากนะอย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าเป็นพหู้สูตรนะเป็นพหู้สูตนะเป็นผู้คงแก่เรียนนะเป็นผู้คงแก่เรียนก็ย่อมจะเป็นคนฉลาดนะเป็นคนจเจริญเป็นคนที่ชาติศาสนาต้องการนะชาติศาสนาต้องการใครทุกคนก็อยากจะคบกับคนฉลาดใครก็อยากจะคบกับคนดีนะเพราะว่าคนฉลาดคนดีนั้น สามารถที่จะนําตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติให้ร้อนให้รอดพ้นจากพยันอันตรายได้ดังนั้นภารูจัตจหมายถึงว่าความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากหรือเป็นผู้สูตรมากนี้ก็แบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือภารูจัตเจในทางโลกกับภารูจัตจในทางธรรมภาวูจัตในทางโลกก็ได้แก่ความเป็นผู้ได้ศึกษาได้เป็นผู้คงแก่เรียนในวิชาการต่างๆเช่นว่า ในวิชานิติศาสตร์นะวิชากฎหมายวิชารัฐประศาสตร์วิชาการปกครองยุทธศาสตร์วิชาทหารเวชศาสตร์วิชาการแพทย์หรือว่ายนตราศาสตร์ต่างๆนะอันนี้แหละจัดว่าเป็นภูจะเป็นภูษะในทางโลกทางโลกดังนั้นภูษะในทางธรรมนั้นก็ได้แก่ความเป็นผู้ได้ศึกษาชำนิชำนาญแต่ชันใน พระธรรมว จ, จะนะคือพระไตรปิฎกพระวินัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระบิธรรมปิฎกหรือว่าเป็นผู้ใดศึกษาเล่าเรียนทั้งปริยัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมนคือตามศี้นสมาธิปัญญา อ, อย่างนี้แหละจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีพระอุจจจะในทางธรรมพระุจจจะนี้เป็นคุณสมบัติที่คนเราทุกคนนิยมนับถือกันทั่วไปทั้งในฝ่ายคดีธรรม ทั้งในฝ่ายคดีธรรมและในฝ่ายคดีโลกในฝ่ายคดีโลกมีสันเสริญเกี่ยวกับเรื่องบุคคลผู้เป็นตู้สูตรแม้จะไม่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินคารแต่ก็ยังได้โวหารว่าผู้ไม่ยากจนขัดสนนะสมกับที่สุนทรผู้ทา่านได้เขียนเป็นคากลอนไว้ว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกฐานถินใดไม่ขาดแคลน ถึงยากแค้นก็พออย่างประทังตนนี่อนหนึง่งชีวิตของบุคคลผู้เป็นผู้สูตรนั้นย่อมไม่เปล่าจากประโยชน์จะเข้าสู่สมาคมใดๆก็ไม่เป็นผู้ขั้นขามขามขยาดย่อมองอาจกล้าหาญในการเจรจาในฝ่ายคดีธรรมพระอุตจานี้เป็นคุณธรรมอันสําคัญอย่างหนึง่งอถึงซึ่งสงเคราะห์เข้าในทรรมวิภาคอดังที่ ได้บรนเคยบรรยายมาแล้วเกี่ยวกับในเรื่องอเวสารัชปรนธธรรมคือคุณธรรมที่ทําความกล้าหาญจะจะจากความขั้นค้ามห้าประการหรือว่าในธรรมเจ็ดประการอันเป็นที่ตั้งของสัพพุริสธรรมบ้างในนาถากรนธธรรมบ้างคุณธรรมที่ทําให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นสิประการหรือในอริย ะ, ะสมบัติอย่างประเสริฐเจ็ดประการอันหนึ่งภาษาจนะนี้สมเด็จพระผู้มีประภาทสงสารเสื่อว่า เป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์กต่การหนึ่งนะในในมงคลสามสิบแปดฉะนั้นคนที่มีภารุศจากก็คือคนที่ได้เล่าเรียนศึกษามามากทั้งทางโลกทางธรรมจึงเป็นคนดีที่ทุกคนจาดธนาก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนมีทรัพย์อันเติเสถอยู่ในใจิตใจมาในข้อที่หกก็คือจาคะนะจาคะคือสละให้ปันของของตนแก่คนที่ควรให้ปันจาคะได้แก่กิริยาที่สละ ให้ด้วยตั้งใจจะบรรเทาความโลภนะความโลภคือไม่จําเพาะว่าจะเป็นการให้โดยเจาะจงหรือว่าไม่เจาะจงนะให้เป็นสาธารณะคือทั่วไปนะไม่เลือกชั้นวรรณะอันนี้แหละเป็นเรียกว่าจาคะฉะนั้นคนที่มีจาคะนี่ให้สังเกตดูนะคือการเสียสละที่ที่เป็นการช่วยเหลือเป็นการเฉลีย่ยแบ่งปันให้กับคนที่เขายังมีทุกข์มากกว่าเรา นะหรือว่ายังมีสุขน้อยกว่าเราฉะนั้นถ้าหากว่าสังคมของเรานี้มีการาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการแบ่งปันกันแน่นอนที่สุดจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญโลกนี้จะน่ารักเหลือเกินโลกนี้จะสดชื่นโ ล, โลกนี้จะเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มเต็มใสโลกนี้จะไม่มีการประหัตประหารกันนะก็เพราะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันยิ่งในายามที่เกิดาวารภายัยภัยเกิดจากการน้ำท่วมเออ ถ้าเอาประทานโทษวตาตภัยภัยเกิดจากลมพายุพัดพาต่ า, างๆอุทกภยัยภัยเกิดจากการน้ําท่วมแน่นอนที่สุดอเขาผู้นั้นต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนคนที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเขาก็ย่อมจะทุรนทุรายกังวนกังวลถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดมาหยิบยื่นความสุขให้ก็เหมือนว่าชดเขาให้ขึ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนชดเขาให้ขึ้นจากนรกก็เหมือนว่าตายแล้วเกิดใหม่เหมือนว่าตายแล้วเกิดใหม่เขาก็จะมีแต่ความสุขมีความเจริญฉะนั้นอ เราทุกคนก็ควรจะเสียสลากนะเสียสละกไม่ใช่จะเป็นว่าเสียสละกต่อบุคคลแค่นั้นเราก็อาจจะเสียสลาในการสร้งางถนนสร้างถนนหนทางขุดคลองทําสะพานทางทางสัญจรไปมาให้เดินได้สะดวกหรือว่าสร้างโรงพยาบาลรักษาความเจ็บปวดปวด่วยไข้อุดหนุนอุปถัมภ์บำรุงเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาสร้างโรงเรียนหรือในทางศาสนานะนนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์ทางนั้นนะเป็นประโยชน์ทางนั้นทีนี้พูดถึงจาคะก็ มันมีคำที่น่าที่น่ารู้อีกคำก็คือคำว่าทานแปลว่าการให้จาคะก็อแปลว่าการให้นะนะนั้นทานกับจาคะไม่เป็นอันเดียวกันเน้อะถ้าจะมีคนถามว่าอันนี้ก็แก่ว่าไม่เป็นอันเดียวกันนะทานประสงค์อกิคยาที่หวังผลในภพนี้และภพหน้าซึ่งยังมีตัณหาและมีโลค ก, กํากับอยู่ด้วย <Yeah. S 2> เพื่อจะช่วยอนุเคราะห์บูชาอ่อานนะนั้นก็หมายถึงว่าจาเพาะให้เป็น ให้ให้เจาะจงให้เจาะจงเป็นการเจาะจงแต่ว่าจารคานี้หมายเอากริยาที่สละให้ด้วยตั้งใจจะบรรเทาความโลภความโลภความโกรธความหลงไม่จําเพาะเจาะจงไม่จําเพาะเจาะจงบริจาคให้เป็นสาธารณะบริจาคให้เป็นสาธารณะดังนั้นจารคานี้จึงเป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องชําระจิตใจให้หมดจดหมดจดจากความเศร้าหมองให้เกิดความผองใสจิต ที่ได้เสียสละออกไปนั้นรู้สึกว่าเป็นจิตที่เป็นบุญกุศลทังนั้นจำได้ว่าครั้งหนึ่งองค์สมครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลในปัจจุบันได้ทรงประทานโอวาทกับพวกหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะว่าหรือหน่วยสงเคราะห์ชุมชนต่างๆว่าการที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น ไม่ใช่ว่าความสุขนั้นจะได้กับผู้ที่รับจริงๆแล้วความสุขนั้นเราได้ได้ก่อนผู้รับคือสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นว่างั้นนะอันนี้มันเป็นความจริงเรามีความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นฉะนั้นจึงบอกอันนี้แหละมันเป็นความสุขที่เท่กาจัดความโลภนะความโลภความเห็นแก่ตัวดีที่สุดเลยนะดีที่สุดฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้น เป็นคนเสียสละแบ่งปันสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนทั่วทั่วไปก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีทรัพย์ภายในมีทรัพย์ภายในและกําจัดความมัจริยะความตณีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวให้หมดไปก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจมาในข้อสุดท้ายที่บอกว่าปัญญาข้อเจดข้อสุดท้ายเียว่าปัญญาเป็นทรัพย์ที่เจปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ปัญญานี้แต่ตามศัพท์เรียว่าธรรมชาติที่รู้ชัดหรือธรรมชาติที่รู้เหตุรู้เป็นเหตุรู้ชัดได้แก่ความเฉลียวฉลาดสามารถรู้ทางเสื่อมและทางเจริญรู้เหตุแห่งความเจริญรู้เหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมก็เช่นว่าการที่นอนตื่นสายการนอนตื่นสายการเกียรติคันทําการงานหรือว่าการนอนขี่เสานอนนานก็เรียกว่านอนกินบ้านนอนกินเมืองอะไรนะหรือว่า การไปคบชู้สู่สาวหรือว่าการเดินทางไกลคนเดียวอันนี้ถือว่าเป็นเหตุแห่งความเสื่อมหรือว่าการเดิมสูราเมรัยการคบคนทั่วเป็นเม็ดนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเสื่อมดังนั้นเหตุแห่งความเจริญก็คือมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือว่าการไม่คบคนพาลการคบแต่บัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเจริญเป็นเหตุแห่งความเจริญฉะนั้นนี่แหละปัญญาจะบอกว่า มีสองอย่างก็คือว่ารู้เหตุแห่งความเสื่อมและรู้เหตุแห่งความเจริญนะดันั้นปัญญานี้ถ้าหากว่ามีเกิดขึ้นในบุคคลใหนก็ย่อมทําบุคคลนั้นให้ได้รับความแสงสว่างนะได้รับความแสงสว่างเห็นทางแห่งสมบัติและเห็นทางแห่งความวิบัตินะแล้วว่าเหนือกว่าแสงสว่างแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์นะเหนือเหนือกว่านั้นนะแสงจันทร์และพระอาทิตย์นี่ก็นับว่าสว่างพอควรแล้วว่าปัญญายิ่งไปกว่านั้นนะยิ่งไปกว่านั้น ฉะนั้นแสงสว่างภายในก็คือตัวปัญญาแสงสว่างภายนอกก็ได้แก่แสงสว่างจากดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากดวงไฟต่างๆอันนั้นก็ยังสามารถจะทําให้เรานั้นเห็นดีเห็นชั่วตามความเป็นจริงได้แต่ก็ยังไม่เท่ากับแสงสว่างปัญญาฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้จัดเลยว่านัตถิ ป, ปัญญาสมาอาภานะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีว่าแสงสว่างใดๆในโลกเนี้ยจะเปรียบด้วยปัญญาไม่มีนะ เรียกว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัตสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะเรียกว่าพอมีปัญญาแล้วก็สว่างยิ่งกว่าแสงพระจันทร์แสงพระอาทิตย์ยิ่งกว่าแสงพระจันทร์แสงพระอาทิตย์ฉะ น, นั้น <Vikings and these things> ปัญญาจึงเป็นแก้วเป็นรัตนะนะเป็นแก้วตาแก้วใจของนรชนอันนะี้ก็จะเห็นแล้วว่า ปัญญานั้นเป็นทรัพย์ประเสริฐเพียงใดนะคนมีปัญญาย่อมเป็นคนมีคุณธรรมประเสริฐกว่าคนอื่นๆนะแม้แต่ว่าเราจะประกอบกิจ ก, การอันใดถ้าหากว่าขาดปัญญาแล้วแน่นอนที่สุด เ, เราก็จะทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องนะจะทาอะไรที่อาจจะให้คนอื่นเดือดร้อนก็ได้นะหรือจะเป็นพิษเป็นภัยกับผู้อื่นก็ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนมีปัญญาแล้วสามารถที่จะตัดกิเลสทายกิเลสทิ้งให้เห็นจริงคือความไม่มีตัวมีตนพ้นจากความเป็นทุกข์ได้ก็คือว่า ถึงนักผลถึงนิพานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาก็คือปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นโดยทางทางเกิดขึ้นได้จากการฟังเกิดขึ้นได้จากการคิดเกิดขึ้นได้จากการอบรมบ่มนิสัยฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจงสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมีในจิตใจก็จะมีแต่ความสุขความสบายเอาละท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอริยสัพย์เพจารการมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอจเจริญพร